ยี่สิบานองพันา้อยี่สิบห้าตรงกับวันเสาร์แรมองนหสิบพวกเราที่มาอบรมที่อาเดียม เป็นนนิธีที่ทาเผยแผ่ในหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนเราที่ถือพุทธศาสนา ไปกันเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเลยไม่ตรงตามพุทธประสงค์วันนี้ที่เรามาอบรมกันที่อรียภานี้ให้อัตมามาให้ข้อคิดคมเห็นและนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นเพื่อทางดับทุกข์เท่านั้น ไม่ได้มีวิธีดีตองอื่นไกลทั้งหมดเลยที่พูดนี้คืออาตมาเองคนหนึ่งที่ได้สแสวงหาวิธีที่จะดับปุ๊กตัวเองเมื่อตัวเองเห็นว่าทางนี้เป็นทางดับปุก๊กได้แต่คนอื่นก็ต้องมีโอกาสมีเวลาที่จะดับ ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจะเป็นคนยุคสมัย 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วน้น้อตามหรือจะเป็นยุคนี้สมัยนี้ข้อตามวิธีที่จะทำให้ดับทุกนั้นต้องมีอยู่เหมือนกันเมื่อเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติได้เช่นเดียวกันจึงไม่เลือกยุค ไม่เลือกสมัยไม่เลือกตนชาติไหนภาษาใดแม้จะเขียนหนังสือเป็นก็ปฏิบัติได้เขียนหนังสือไม่เป็นกอปฏิบัติได้เพราะว่าเรื่องควทุกข์นี้มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคมรู้และมีเงินมีทองมันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเช่นนั้นคนมีเงินมีทอง ร้อยล้านพันล้านความทุกคือความวุ่นวายเดือดร้อนหรือความโกรธความโลภความหลงนี้มันก็ยังทํำให้เดือดร้อนได้อยู่เช่นเดียวกันและคนที่เรียนหนังสือมากๆถ้าเป็นพระสงฆ์ท่านเรียนนักบุฟีโทเอฟจนได้เป็นมหาปริเลียนหรือจบปรเรียนเก้า ก็ยังมีความเดือดร้อนความวุ่นวายมีความสงสัยหรือมีความทุกข์คือความโกรธความโลภความโงนี้เองถ้ามีความทุกข์อย่างนี้การศึกษาเล่าเรียนนั้นก็เหนื่อยเปล่าในบัดนี้ผู้ที่ศึกษาสายโลกกวเช่นเดียวกันเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงปริญญาต ร, รีปริญญาโทปริญญาเอก นเ น, นีน่นยก็ยังมีความทุกข์ความเดดร้อนความุกข์ทมายยังมีควมโกรควมโลกควมหลงอยู่เช่เดียวกันอันนั้นซึ่งว่าเรียนแล้วยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่มันมีน้อยบัดนี้พวกเรามาที่นี่ถึงจะมีความรู้ก็ได้ไม่มีความรู้ก็ได้ถึงจะมีเงินมีทองก็ได้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 เมื่อพูดถึงความสงบแล้วมีข้ อ, อประมาเปรียบเทียบให้ทั้งผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเหมือนกับคนที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำเรามีเพียงไม้ขีดไฟหรือเทียนไขแล้วก็ต้องเอาไม้ขีดไฟมาจุกขึ้นเป็นไฟแล้วระจุดเทียนไขเราเมื่อจุดเทียนไขขึ้นมาข้างหน้าแสงสว่างมันก็มีเพียงเล็กๆน้อย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 ทำความสงบนั้นมันจึงเป็นผลละเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังพูดว่าความสงบอยู่นั่นเองดังนั้นการสงบนั้นถ้าพูดตามหลักที่อาตมาจะนํามาพูดนี้มันมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือความสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบที่ไม่รู้สึกตัวเรียกว่าสงบใต้โมหะ คือยังไม่รู้ต้นตอของชีวิตจิตใจของเรานั่นเองอันนั้นียกว่าสงบแบบอยู่ในถ้ํา้จะนั่งสงบอยู่ที่นั่นนานๆคนต่างเมื่อไปทาํางานทำงานกับสังคมของเราเมื่อคนนั้นคนนี้พูดเราได้ยินหรือคนนั้นคนนี้ทําเราเห็น ความพอใจและไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพยายามทำคนสงบไปบังคับมันไว้กดมันไว้ทับมันไว้ไม่อยากให้มันขึ้นมาแสดงแต่ยังไลก็ตามมันก็ค่อยๆลดลงไปมันก็ยังดีอยู่อันนั้นเรียกว่าสงบใส้โมหะสมบเพราะผมไม่รู้ที่อาจามาพูดนี้ และนำมาให้เพื่อนผู้ที่ต้องการทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์จริงๆแล้วคือไม่ต้องทำานเจ้าแบบนั้นเราต้องเรียกร้องเอาความรู้สุกความตึงตัวให้เรารู้สึกเราตึงตัวอยู่เสมอเมื่อเรามีความรู้สึกความตึนตัวอยู่เสมอแล้วความทุกข์ มันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วเช่มคนนั้นคนนี้จะพูดให้เรามีความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นเพราะมีความตื่นตัวความรู้สึกตัวเห็นอยู่สภาพหรือภาวะของสิวิตจิตใจของเราอยู่ตลอดมาอันนั้นเรียกว่าสงบด้วยสติปัญญาสงบด้วยกานตื่นตัวสงบด้วยการหมีงแจ้ง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 มันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วความดีใจยึื่งความพึงนนั้นมันเป็นปกติไปแล้วอันนั้นเดี๋ย ว, ว, ว่าโลภะแล้วเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นเพราะเรามีโมหะโมหะนั่นคือเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยไม่เข้าใจต้นตอของชีวิตจิตใจของเราที่มันปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองวันนี้เมื่อมีคนมาตําหนิเรา มาพูดให้เราห่างไม่ดีเมื่อมาทำให้เราเห็นที่มันไม่เหมาะสมเราปิดไม่พอใจนั้นความไม่พอใจนั้นท่านผูร้รู้ทางพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้เดีว่าความโกรวมโกรุนันก็เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามบังคับมันไว้แต่มันก็ยังดีแต่อันนั้นไม่ใส่ประยชน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 เราก็ต้องไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆทั้งนั้นดังนั้นการทำวิธีนี้มันเป็นการทำง่ายๆมันไม่ได้มีพิธีดี่ออะไรทั้งหมดเลยมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลเรื่องการให้ฐานหรือการอะไรอะไรทั้งหมดมันไม่เกี่ยวข้อ ง, งแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นั่นเองเกี่ยวข้องอยังไรเมื่อเราไปติดการให้ฐานเราทำบุญ ทำทานแล้วเราก็ไปติดไปติดการทำบุญทาทานคิดว่าทาบุญแล้วะจะเป็นอย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรเราก็เข้าไปคิดในบุญในกุศลนั้นอยู่เราก็เลยไม่ได้ดูจิตดูใจของเราอันนี้มันเป็นดังนั้นเราไม่ต้องคิดทำแล้วก็แล้วไปเราเฉยไปได้เราดูความคิดของเราที่ตรงนี้ เส้นการรักษาศินกัเส้นเดียวกันทําไปแล้วมันผิดเส้นข้อนั้นข้อนี้ปาณาอธินาหรือจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไปคิดวิตกกังกวลนำสินที่เรารักษาบริสุทธิ์ไหมถูกต้องไหมไปคิดกังวลอยู่กับเส้นนั้นอันนั้นก็เป็นตัวทุกข์อีกแล้วเพราะเราไม่เห็นผมคิดตัวเองมันจึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด เรามาคอยดูต้นตอของชีวิตที่ตรงนี้มันก็นเลยควบคุมกันไปทั้งหมดอย่างที่เรามาอยู่ที่นี่มาท ำ, ทำมาหรือมาเจริญปัญญากันอยู่ที่นี่ในขณะ น, นี้อันนี้แหละเป็นศีลอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมตายแล้วก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรทั้งหมดและคำพูดของเราก็ไม่ได้ไปโกหกพูดเท็จอะไรทั้งหมด จิตใจของเรามันนึกคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็ปัดทิ้งเมื่อปัดทิ้งไปแล้วควมคิดมันก็เลยไม่ได้ถูกปรุงอันไม่ถูกปรุงนั่นเนี่ยท่านเรียกว่าศินศินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากิเลสอย่างหยาบคือมันคิดไปอันนั้นคิดมาอันนี้คิดถึงทานคิดถูงสินอันนั้นแหละตัวกิเลสอย่างหยาบดังนั้นคนไม่รู้ จึงจะออกจากบุกไม่ได้คนไม่รู้ก็ต้องอยู่ที่มืดเหมือนกับอยู่ที่ใหนถ้านั่นเองบัดนี้เราไม่ต้องอยู่ในถ้ำเราถอนตัวออกจากถ้ า, ถาเราไม่ต้องจุดไฟก็ได้เราไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นการขับบุปกตามการรักษาศิลก็ตามถ้าหากว่าเราไปติดไปยึดอยู่แล้วเหมือนกับคนที่อยู่ในถ้านั่นเอง ดังนั้นวันนี้ที่พวกเราได้มาเจริญสติมาเจริญปัญญาเพื่อให้พบเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของเราชีวิตของเราจริงๆนั้นมันเป็นปกติมันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันเสยๆแต่ตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นคือจิตแต่ตัวจิตนั้นมันก็นไม่ได้เป็นตัวทุกข์เพียงมันคิดขึ้นมาแว บ, บเดียวเท่านั้น เราเกิเรียนรู้เป็นคมคิดหรือ เ, เข้าเป็นผมคิดเมื่อเข้าเป็นผมคิดมันก็เลยปุงเป็นเรื่องเป็นนาวไปอันนั้นดีอันนี้ชั่วไปเราก็เลยไม่ได้เห็นคมคิดของเราปัดนีบนคนเมื่อไม่ได้ผม ค, คิดของเราแล้วไปทำการทำงานอะไรก็ตามและมีคนนั้นมาพูดให้เราเสียใจเกิดไม่พอใจเสียใจขึ้นไปแล้วความเสียใจเกิดขึ้นก็มีควมโกรธเกิดขึ้น ก็มีความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงที่ตรงนี้อันนั้นแหละตัวทุกขอันนั้นแหละตัวบาปบาปกิงๆิทุกข์ิงๆเรื่องนี้โดยมีธรรมะคำคำหนึ่งที่ท่านสอนเอาไว้ในหลักสูตรนักคําทันตีมีอยู่สีหมวดด้วยกันแต่จะนำมาเล่าให้ฟังในที่นี้เฉพาะวันนี้จะมาพูดเรื่อง เราเคยพูดเคยเรียนกันในหนังสือน้ำมัคคุนนะวาดว่าทำที่เป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างแต่พระเนรเคยเรียนเนี้ยใครๆก็ต้องเคยเรียนแต่ไม่เคยเอามาพิจารณาทำที่เป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างอีนี้ผมนาอายแก่ใจโง่ตาบ้าขควมเกงตัวต่อบา ทีนี้ผมละอายแก่ใจในขณะที่เห็นเพื่อนเรามาพูดคุยอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นภัยนอแต่ละอายแก่ใจนี่คือใจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราต้องเอาชนะมันได้อันนี้เดียวว่าละอายแก่ใจคือผมคิดนั่นเองไม่ให้มันได้ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้ไปว่าทีนี้ผมละอายแก่ใจตามทัศนะ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 ตัวคิดขึ้นมาแวกเดียวนั้นเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็นเลยเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็นเลยปรุงไปเมื่อปรุงไปแล้วก็เป็นตัวบาปอันนั้นเืียว่าตัวบาปเราจะไปหาตัวบาปไม่เห็นบาปเพราะเราไม่มีปัญญาตัวบาปไม่มีตัวไม่มีตนถ้าหากคนมีปัญญาทาความตื่นตัวเรียกร้องเอาสติ เอาปัญญาเข้ามารู้ตัวอยู่เสมอพอดีมันคิดพุบขึ้นมาเราเห็นปั๊บทันทีเหมือนแมวกับหนูอย่างนี้แล้วความคิดนั่นมันถูกขุดทันทีถ้าแมวจับหนูแมวก็ต้องตายทันทีมันซอกขึ้นไปแล้วควมคิดก็เลยไม่ถูกปูนบาปก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยท่านหว่าอดตบความเกงกลัวต่อบาป คำโอตะบาปกลัวเกงกลัวตบาปนี่ไม่ได้ไปกลัวที่อื่นแราไปกลัวคุณคิดตัวนี้นี่แหละพูดสันส้นๆอันนี้ไม่ต้องพูดมากวิธีปฏิบัติอย่างนัดลั ด, ลดอันนี้ถ้าจะพูดโดยสมมุติให้ฟังก็ที่เรามาที่นี้เดี๋ยวมาฝึกหัดไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติเดี๋ยวมาฝึกหัดมาฝึกหัดเหมือนกับนักมวยนีย่นักมวยเนี่ยใครซกเกง พอได้เป็นเซนเปียดเป็นผู้นําของโลกทันไรปัจจุบันนี้เรามาที่นี่ก็เหมือนกันเรามาฝึกหัดดูคนคิดของเรามาฝึกหัดเรียกเอาความตื่นตัวขึ้นให้รู้พอเด่นักมวยขึ้นไปในเวทีมีคู่ต่อสู้ต้องซกทันทีเราไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องไปรีเริ่มเรียกร้องเอาตําราอยู่ที่นั้นที่นี้อยู่ในมัดนั้นมัดนี้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 ไม่เสเราไปเรียนตนาราเมื่อมีคู่ต่อสู้ขึ้นในเวทีไม่ต้องไหว้ครูเลยเข้าไปในสนามก็ต้องซกทันทีขึ้นในเวทีต้องเพราะคนนี้จะมาเป็นคู่ต่อสู้กับเราต้องซกเมื่อซกแพ้ชนะมันเป็นธรรมดาอย่างที่เรามาฝึกขันโคตาังเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมันคิดมาไม่ทันแล้วธรรมดาเราต้องกระตุกเมื่อเราแรงๆทําอนรู้สึกแรงๆ เหมือนกับนักมวยขึ้นไปในเวทีซกเขาแท้เข้ามาเราก็ต้องไม่เสีย อ, อกเสียใจเราต้องไปฟิตเราไปหัดเมื่อเราฟิตเราหัดซกบ่อยเมื่อเป็นศกเขาในเวทีเที่ยวต่อไปมันอาจนะได้เมื่อตนะแล้วเราก็ต้องยังไม่พอเราต้องซกใครเก่งก็ต้องซกไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นเก่งเป็นเต็มเปี้ยนมาแล้วเคยเป็นจอมโลกมาแล้วไม่ต้องกลัวเลย เราต้องไปสกคนที่เคยเป็นเซมเปี้ยน <c oughs> เคยเป็นจอมโลกนั่นแหละเป็นนักมวยเอกทั้งโลกเนี่ยเราต้องไปสกคนผู้เช่นนั้นเมื่อเราซกศนะแล้วอันนั้นเราจะได้เป็นเซมเปี้ยนเป็นจอมโลกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องไม่แต่เป็นนั่งสงบอะไรกัเราต้องไปดูดูมันขึ้นมาเราต้องเอาทันทีไม่ต้องไปไหวผ้ผูไม่ต้องไปนึกหาคำลังตำาอะไรนะ ลำรับตานาน่ะมันอยู่ไกลเราเราไปจำมันลืมเมื่อมันลืมแล้วก็วแก้ไปได้เหมือนกับคนที่ไปอยู่ในถ้ำนั่นเองบัด น, นี้เราออกจากถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตาหดับตำนาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคำสอนของใครทั้งหมดเลยเราต้องเกี่ยวข้องกับต้นตอตัวชีวิตจิตใจนี้เองนี่มันอยู่ที่นี้เมื่อเราเอาสถที่ตรงนี้แล้ว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 พระพระเจ้าของเราแนะแนวให้พระวักกลิกเจริญสติเพราะว่ากะลิกไม่เคยเจริญสติไม่เคยเรียกร้องเอาความตื่นตัวความรู้สึกตัวเข้ามาหาตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยท้าที่โต๊ะพระวักกลิกไล่พระวักกลิกหนีพระวักกลิกก็ไม่มีที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าบระนามให้หนีก็จะไปโดดเหวตายวะพอดีพระวักกลิกจะไปโดดเหวตายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลย ไปขวางหน้าเอาไว้ด้วยวไปต้อนเอาไว้พระวักกลิกจะไปที่ไหนถามพระักกะลิกผมจะหนีหนีไปที่ไหนก็ห น, นีไปโดดเหวตายเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาให้ดูลูปสมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีที่พึ่งทางไหนดีเท่าตายพระพุทธเจ้าก็เลยพระว่ากะลิกเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า อันนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นเพียงรูปกายอันตัวหนังสือเขียนไว้อามาพ่อมาจํากันนั้นอันนั้นนันก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านั่นไปสนใจมาทําไหมแต่กันยังดีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระวักกะเล็กว่าคือต้นต่อของชีวิตจิตใจที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่เป็นอันนี้คือจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานุ่นมันที่เป็นนึกนักอันนั้นแหละมันทําให้เป็นพระพุทธเจ้า พระวักกะลกก็สำนึกตัวได้แล้วเมีจิตมีใจเหมือนกันกับพระเจ้าพระวักกะล็กพระวักกะเล็ก ก, ก็เลยกลับเข้ามาดูที่ต้นต่อของชีวิตจิตใจของพระวักกะลิกพระวักกะลกก็เลยเห็นความคิดของตัวเองลักษณะความคิดนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวชีวิตจิตใจจริงๆนั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้ว ก็เลยเห็นธรรมต้นตอของชีวิตจริงๆแล้วพระพเจ้าก็เลยตัดต่อพระวรกลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเน่้จับสายจีบรของเราอยู่หรือจะจับนิ้วมือของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมคนเห็นธรรมสมัยนี้ก็ต้องไปสอนกันอีกแล้วที่อาจจะมาเคยไปเห็น และตัวขัตมาเองคนหนึ่งเคยได้ทำมาเช่นนี้ในสมัยเมื่อเป็นเอรเคยฝึกกับอาจารย์อาจารย์ต้องให้ไป น, นั่งขัดสมาธิทำจิตใจให้สงบเพ่งดวงกรสินเข้าไปเห็นสีแสงหรือแสงสว่างอะไรต่างๆที่ท่านสอนมาบางข้างบางขาวก็เห็นผี สีแสงเทวดาอะไรต่างๆท่าสอนมาอันนั้นแปลว่าคนลืมตูคนไม่เห็นตัวชีวิตของเราอันนั้นแปลว่าคนไม่รู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธรูปไปเห็นดวงแก้วลอยมาเนี่ยมันเข้าใจยันความจริงคือจิตใจของเรานี่แหละมันคิดวูบออกไปแล้วเราไม่เห็นมันมันก็เลยเป็นมายาหลอกลวงเรา อาว้นอาตมามาที่วัดสมประทานเนี่ยมีคนไปพูดเรื่องนี้มีจํานวนมากเพราะทางกรุงเทพเนี่ยเคยปฏิบัติแบบนั้นมากที่สุดต้องเห็นดวงแก้วต้องเห็นพระพุทธรูปต้องเห็นแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยพูดกันใชนไหมอันนั้นแต่คนไม่รู้คนไม่รู้มาสอนมันก็ต้องไม่รู้อาตมาเคยทํามาเรื่องนี้ วันนี้อาจจะมาพูดให้บอกว่าอันนั้นไม่ใช่นิมิตมันเป็นมายามันหลอกลวงคนที่สอนไม่รู้จักก็เลยไปจัดเอาอนั้นราเป็นนิมิตมันก็เลยผิดไปจากเล่าหมายนิมิตท่านแปลว่าเครื่องหมายท่านสอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเครื่องหมายอันนั้นอันนั้นเราจะไปจัดไว้มันได้ไหมมันเห็นแล้มันก็หายไปเลยมันจะเป็นนิมิตได้ทำไมอันนั้นแปลว่านิมิตของคนไม่รู้ อันนี้แหละคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเจา น, นมันหายไปจากต้นจนไปลายไม่ได้เลยมีมิตรแปเครื่องหมายคําว่านีมิตรกับเครื่องหมายเรากํามือลู่สึกตัวเหยียดมือลู่สึกตัวพิษตาลู่สึกตัวหายใจลู่ศึกตัวยืนน้ํำลายผ่านลงไปในลําคอเราลู่สึกตัวอันนี้แับวันนี้มิตจริงๆ เราเรียกร้องความรู้สึกเรามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรงงเานี้แบบนี้มันคิดขึ้นมาส่วนลึกที่จิตใจแบบ น, นี้มันคิดขึ้นมาแว บ, บเดียวเราเห็นอันนั้นเแบบนี่ยมีมิจจริงๆมีมิกระเครื่องหมายเราคอยดูมันเหมือนกับนักมวยที่ขึ้นในเวทีพอดีคนนั้นคนจะซกเรามันต้องไหวตัวมันพอดีคนตาดีเนี่ยพอดีคนนั้นไหวตัวคนนี้มันซกแล้ว พอดีมันไหวตัวจะซกเราเราต้องซกมันก่อนนี่อันนี้ประวัตินิมิตคือสายตามันจะไปจ้องคู่ต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นอย่างพอดีเขาจะซกเราเราซกก่อนเหมือนกับตรงคิดที่เรามันจะคิดขึ้นมามันต้องเคลื่อนไหวเราก็ตัดมาัน ท, าทันทีความคิดนั้นก็เลยไม่ถูกภูุงอันนี้ประวัตินิมิตอันนี้ตามความเข้าใจในทักษะของตัวเองแต่มันอาจจะขากับะตำราของบุคคลที่เรียนมาม า, มากๆ เขจะขัดก็ตามอาตมาไม่ไม่ได้วิตกกังวลกับคนที่เรียนมามากเพราะอาตมาจะแก้ปัญหาตัวเองว่าไม่ต้องมีทุกข์จะไปทำการทำงานกับเพื่อนฝูงก็โดยที่ไม่มีทุกข์จะพูดจะคุยกับเพื่อนฝูงกระโดยไม่มีทุกข์อันนี้ก็พอแล้วนี่แหละหลักสัมมาท่ฏฐิคือพระพุทธเจ้าไม่แท่ตัวอาตมาเป็นพระพุทธเจ้า อยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นท้องพระเจ้าแต่มันมีหลักษณะอย่างนั้นทุกคนทุกคนมันต้องมีกายกับใจกายนี่มันเป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาใจนั้นมันมองไม่เห็นถ้าจึงสมมุติขึ้นมาสมมุติบัญญัติคือบัญญัติขึ้นมารักษาสิ่บัญญัติขึ้นมาให้ฐานบัญญัติขึ้นมาต้องเปน็นน้ากรรมฐาน บัญญัติขึ้นมาต้องไปเจริญปัจจนาบัญญัติขึ้นมาอัะนด้นเรีส ม, ม, รมุดบัญญัติปารมัตบัญญัติคือทำจริงอีกอย่างหนึ่งหรือพูดอย่างหนึ่งก็นี่มันล่วงพ้นไปจากการบัญญัติ อ, ตอันนั้นแว่าได้ยกวเป็นปรารมาตัตบัญญัติปร า, มารมัตแปลว่ามันล่วงพ้นจากสิ่งที่บัญญัติขึ้นไปหรือกําลังเห็นกําลังรู้กําลังเข้าใจกําลังมีอยู่พันทังก่อเรียกวเป็นปารามาติตเหมือนกันเนี่ยเรื่องปรามิตมันเป็น ที่รู้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปยืนตำนามาพูดท่านพู้รู้คนจริงใจหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อจะทำเพื่อความมุ่งมนไม่ใช่จะหลุดพ้นหนีจากโลกนี้ไปไม่ใช่จังหวะคือหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เองวันนี้อัฏฐะบรญยัติอัฏฐะนั้นทางตัวหนังสือเนื้อตำหรักตานาเขาว่าอัฏฐะเขาเรียกมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมาคมมังตะอันนั้นเอาไว้ก่อนนึกตำลาอย่าไปยุ่งมนะันคำว่าอัฏฐะบัญญัตหมายพึ่งมันลึกลักอัฏฐะเรยว่าลึกอัฏฐะเรยว่ามักแปดถ้าจะพูดตามตัวหนังสือนะครับว่ามักแปดใ น, นเขาเรียกว่าภาคโสดามากักมักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เอาไว้อย่างนะั้น มักคือผ้าโสดาเนี่ยมักแปดตัวผ้าโสดามักเนี่ยผ้าโสดาผลผ้าสักขีทาคามีมักพระสักขีทาคามีผลพระอนาคามีมักพระอนาคามีผลพระอรหันต์มักผราอรหันตผลอันนี้แปดคู่สี่คู่แปดริบอันนี้มักมักจริงจริงอันนี้มักแปลว่าข้อปฏิบัติแบบนี้มักคือเอาสติมาดูจิตดูใจ อันนั้นเรียว่าอัฏฐาบัญญัติอริยะบัญญัติผู้ที่เป็นอริยบุคคลจึงสามารถที่จะเห็นเขาเรียกว่าอริยะบัญญัติแต่บัญญัติสมมติขึ้นมาว่าเป็นอริยบุคคลไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวเราเป็นคืออริยบุคคลอารีบเรียกว่าข้าศึกยะแปียวคนไปข้าศึกคือตัวคิดนี่แหละนี่นว่าเป็นข้อปฏิบัติ์คือว่ามักจึดเอาส ต, ติมาดู เพื่อปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติอยู่ที่นี่นะอันนี้มาขุดหนปฏิบัติจะหมายถึงไปไหนมาไหนทําการทํางานพูดคิดอะไรต้องต้องดูที่นั้นแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าจริงๆข่ากิเลสตายคลายกิเลสจริงๆแล้ววางธาดหรือวางขัดไปนี้ลงไปน้ํานี่แล้วให้ธาตุไปนี้ละคันไปนี่ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปวันนี้ ถ้าหากว่าจะไม่ได้ตัดสัู้้ไม่ได้เป็นพระ เ, เจ้าฆ่ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุดดับทุกข์ไม่ได้วางขันหรธาตุไปนี้ลงไปแล้วถ้ามันไหลไปตามกระแสของน้ําหมือว่าอย่างอันนั่นเป็นคําพูดคือทวนกระแสของน้ําเนี่ยทวนกระแสของกิดนี่เองพอดีวางขันลงไปขันก็เลยทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงวังตะนามที่ไหนกูดัก ไปจมลงหัวกะ ร, รนากระรนาคนอนหลับอยู่ท่ครับอันนี้อ่ะคันเราให้ฟังพ่อก็เล่าให้ฟังอุบาจาังก็เล่าให้ฟังแต่มันเป็นคําพูดอยู่เรื่องสมมุติกะระกระระน า, า, น, านอนอยู่ยังไม่ตื่นอย่างเนี้ยยังไม่ตื่นเลยหลับพอดีขันไปจมลงถึงหัวกะระนาคกะระนาก็เลยตื่นขึ้นมาว่อใครตัดสุดูเรานอนยังไม่ตื่ น, นอันนี้แหละคือเรานอนหลับครับ แต่กระนั้าคือตัวเรานี่เองนอนอย่างนั้นเนี่ยไม่เคยมาสนใจนอนหลับทำศิษไปสนใจในเรื่องคนนั้นไปสนใจในเรื่องคนนี้คนนั้นทําบุญมากคนนี่ทําบุญน้อยคนนั้นรักษาศีลดีคนนั้นรักษาศีนนลไม่ดีคนนั้นเป็นอเนาะโอ้โหมันเป็นเรื่องสมควรจะไปนสนใจเขาเลยสนใจเรื่องตัวเราสนใจเรื่องตัวเราจริงๆไปว่าหลักวานกระแสะของคนคิด ผมคิดมันจะแยกออกจากตัวเราไปมันจะไปสนใจคนนั่นผาไม่ผิดแล้วเราต้องกระตุกเราอย่นี้พอที่กระตุกแล้วมันจะวางความคิด น, นั้นมันจะกลับเข้ามาความรู้สึกเราอันนี้เรียกว่าทำความรู้สึกทำความตื่นตัวเรียกร้องเอาความรู้สึกเรียกร้องเอาความตื่นตัวเข้ามาที่ตัวของเราทําให้เราไม่มีทุ้งมันก็รุดพ้นไปจากความทุ้งอันนี้ว่าทำการฝึกคนคําสอนของพระพิฆเนศนั้น เพื่อทำให้ความหลุดพ้นนักเองไม่ได้มีอะไรทั้งหมดไม่ใช่ว่าหลุดพ้นแล้หนีจากโลกนี้ไปอยู่ที่ไหนอันนั้นเขาไม่ถูกแล้วคือหุดพ้นจากความโกรธความโลคความหลงนี่เองถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้หรือหลุดพ้นจากการปรุงแต่งก็ได้แต่ความโกรธความโลคความหลงไม่มีการปรุงแต่งไม่มีความโกรธความโลคความหลงไม่มีทําไมมันโกรธขึ้นมาก็เพราะเราไม่เห็นผลคิดนี่เองเรารู้คิดเราเข้าไปในผลคิด บัดนี้ความกุ้งแกงก็ไม่มีทําไมมันกุ้งแกงไปก็เพราเราเข้าไปในคนกุ้งแกงแล้วที่พูดนี่ก็เหมือนกับที่เราเข้าไปอยู่ในถ้าถ้าเราไปอยู่ในถ้าเราจุดไฟผมมืดผมก็หายไปแต่เรายังอยู่ในถ้าพอดีไฟหมดแล้วเราก็เลยไปไหนหมาไหน ไ, ได้เพราะเราอยู่ในถ้าเนี่ยจำยอมอยู่ในถ้ำเองอันนี้ก็เหมือนกันเราไปเรียนาํานาเมื่อคิดหาตานานไม่เห็นว่าจำยอมเอาเลยนา อันนี้เราไม่ต้องไปติดตําราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในธรรมแล้วออกจากถ้ำออกจากตาลาเราไม่ต้องมีคูขึ้นในเวทีต้องซกทันทีอันนี้แปลว่าเรามาฟุตขัดโดยตรงไม่ต้องไปอาศัยตำหนักตำลาเมื่อมีคนได้มาพูดคนเราเอาทันทีไม่ต้องไปเอาคนนั้นเอาใจเรามันสติมันจะเร็วที่สุดเหมือนกับนห น, บนุ่ยเหมือนกับแมวกับหนูเนี่ยมันจะพูดยังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมติ ที่พูดนี่เป็นเรื่องสมมุติเอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นเมื่อเรารู้จักสมมุติอันนี้ดีๆแล้วไม่ต้องมีอะไรคําสอน8ปดหมืนสี่พันธมิเป็นสามปีโดคือภาคสูตรกันตปิโดพระวินัยปีโกภาพจำปิโ ด, พพโดมันไม่มีเรื่องอะไรมันเป็นขายานันมันเป็นขายานันในสมพูดเท่านั้นภาคสูตรเขาพูดเรื่องบุคคลนั้นคนนี้พระวินัยก็ต้องพูดเรื่องระเบียบวินัย ใู้ที่ทำกับผู้เรื่องจิตเรื่องใจอาจจะมามาอยู่ที่วัดสนามนายขาวหนึ่งพอมีเพื่อนๆพอาไปหาสำนักปฏิบัติธรรมที่เรียนอภิธรรมผู้จนตายเนี้ยพูดอย่างนั้นนะกิตเท่านั้นดวงจิตเท่านีน้จิตมันมีเท่าไหร่จิตผสมกิเลสจิตไม่ผสมกิเลสเอะพูดไปจนตายคนที่เรียนเนี้ยมันยังมีโกรธอยู่ตามเดิมมันจะมีประโยชน์อะไรเนดะ้อไปพูดอย่างนั้นเราไม่ต้องไปพูดกันได้ จิตปเ้าเจตสิกห้าบสองไม่ต้องพูดกันได้เรามาดูที่ใจตัวเดียวเท่านี้เอาตัวเดียวเท่านี้ไม่ต้องไปเอาหลายเรื่องเอาตัวมนุษกมันคิดขึ้นมาเราเห็นรู้เข้าใจนี่เห็นรู้เข้าใจแปลว่าสัมผัสได้เมื่อเราเห็นอะไรอะไรเรามันจะคบไปทั้งหมดเลยไม่ต้องไปพไิจารณาเลยไมกไม่ต้องไปรักษาศีลก็ได้เพราะศีลเนี่ยแปลว่ากําจัดกิเลสยางยาบเนี่ยเราเคยพูดกันกิเลสยางยาบคืออะไร คือไม่เห็นความคิดนี่แหละมันปรุงไปในโกด ใ, ในโลกในโลกไปนั้นยอย่างกิเลย์ยามยากเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากเราเห็นทัวนี้มันจะจบทั้งหมดเลยเนี่ยสมาธิกําจัดกิเลย์ยามกลา ง, างเราไม่ต้องไปตีควมสงบอันไปสงบอยู่ที่นั่นมันใส่ไม่ได้เขาเรียกว่าสงบใต้โมหันขว่าอ า, าจานั้นอันนี้อาจารมาพูดให้ตัวเองเคยเป็นนั่งทำกรรมาฐานต้องไปนั่งความสงบ ขัดธรรมอย่างนั้นขัดธมามะอย่างนี้ก็หลับตาดูลมหายใจดูลมหายใจมันละเอียดเข้ามันอยู่คำก็เลยสงบสงบเราก็ไปติดความสงบอันนั้นบาดออกมาสู้สังคมสู้ไม่ได้อันนี้คือว่าเราติดเราเข้าไปอยู่ในทีมืดเราเข้าไปอยู่ในความสงบอันนั้นแล้วมันเลยไม่มีปัญญาอันนั้นแหละเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจดังนั้นศีลจึงเป็นเครื่องกำจัด ก, กิเลสอยาอยับอันเดียวกันนะ คำจกกัดกิเลยัญญาคือเรามาดูควมคิดควคิดไม่ได้ปุงกิเลสยัญญาสมาธิคำจกกัดกิเลสยังอ้างคือเราจะไม่เข้าไปในความสงบอันนะั้นปัญญาคำจกกัดกิเลสยางละเอียดกระรวมคิดนี่เหมือนกันอันเดียวกันทั้งนั้นคันรู้แล้วมันจะครบทั้งหมดเลยกิเลสยางละเอียดคือมันคิด น, น้อยเราไม่เห็นเราชอบเราก็ทำไปอันนี้แปลวกิริสยัละเอียดเราไม่รู้ไม่ดังนั้นปัญญาจึงรอบรู้ ตัวปัญญานี่แหละคือควมตื่นตัวควมรู้สึกตัวการทำการพูดการคิดอะไรทั้งหมดเมื่อเราไม่เรียกร้องความรู้สึกตัวควมตื่นตัวเข้ามาอันนั้นแล้วผิดแล้วผิดแล้วแต่คนอื่นจะหาว่าถุเอาทุกของเขาเราจะไปสนใจแต่ก็ไม่ได้ห้ามาจะไปพูกจะนั่งก็ได้แต่อันใดก็ตามเมื่อพูดแล้วยังไม่ยี้ไม่แนแนว รู้ไม่ชี้ลงมาถึงต้นตอของชีวิตอันนั้นแปลว่าถูกน้อยไม่ถูกมากถ้าคำพูดของใครก็ตามคนใดสอนก็ตามเขาแนะให้เรามาดูที่จิตที่ใจอันนั้นถูกต้องถูกต้องจริงๆทำมาไดถูกต้องก็พระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากพอตักสะลุ่พ่อการทำทางจิตทางใจเพราะท่านทวนกระแสของจิตของใจนี่เอาขันลงไปวางที่น้า มันทวนกระแสขึ้นไปทั้งต้นน้ําไปถึงหัวกะลานาอันนั้นเป็นพูดเป็นสมมุติปัจบันนี้คือทวนกระแสของน้ําคือมันคิดพุ่เห็นปับ๊บไม่ต้องไปกับมันอันนี้เป็นทวนกระแสของคนคิดเนี่ยปัจบันนี้การตัดสลูของพระพุทธเจ้าก็คือเห็นคนคิดนี้เองตัดสลูลู่แล้วไม่ต้องทําว่าจะอะไรก็ได้ด้ว่าตัดสลูคือพ้นไปแล้วคือไม่ต้องไปสงสัยว่าอย่างไรก็ได้เพราะว่ามัน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 มันจะสวยจะงามเป็นเรื่องของตาเรามาดูที่ตรงนี้ความสวยความงามมันก็ไม่จำเป็นจะเพราะไม่เพราะมันก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะเรามาดูที่ต้นตอของชีวิตแล้วเราจัดหลักเดิน ม, มาแล้วนี่นี่แหละ ว, วิธีที่เดินไแไ่หาพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็คือตัวจิตใจตัวชีวิตมันสะอาดมันสว่างมาันสงบนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าสะอาดคืออะไรสะอาดคือตัวชีวิตของเรานเนี่ย มันไม่เคยสกปรกเลยมันเป็นอย่างนี้สว่างเราจะว่ายังไงสว่างก็เราเห็นเหมือนเราเดินกลางวันเราก็ไปที่ไหนก็ไม่สนหลักสนตอไม่ลงภูลงคอนี่เขแปลว่าสว่างนะสงบเขาแปลว่าบวคิดมันหยุดได้หรือว่าหยุดกันไปสนธนาไปศึกษาคนนั้นคนนี้จะพูดยังไงก็ได้คําว่าความสงบนี่หมายถึงหยุดหรือหมายถึงพอแล้วไม่ต้องสงสัยแล้ว นี่คำว่าสงบไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากนี่ยรวมมาทุนนี้เองแต่ทุกคนมีแล้วเดี๋ยวนี้อตาตมารับรองว่าทุกคนมีเพราะจิตใจมันมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุเปกขาอุเปกขาไปวางเสยไม่เซลเราจะไปวางเสื้อวางผ้าคนพูดอะไรไม่ต้องพูดต้องทักไม่ใซ่อย่างนั้นคือลักษณะชีวิตของเราเนี่ยมันวางแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา เนี่ยคือมันไม่ยึดไม่ถืออันที่มันยึดมันถือนั่นไม่ใช่เป็นสิทธของเราไม่ใช่เป็นจิตอุเบกขาเราไปอดเอาเราไปเว้าวเอามันไม่ใช่เป็นของจริงของแท้เียว่าสมมุติไม่ใช่เป็นของของจริงคือมันมีอยู่แล้วจิตใจเป็นอุเบกขาเนี่ยวางเสยคือมันมีลักษณะอย่างนี้ทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เด่นก็มีบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ มันเป็นอย่างนั้นทุกคนเรื่องนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นเราจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเลยแบบนั้นอนีนน่ที่นํามาเราให้ฟังวันนี้ก็อนพอที่จะจับใจคมได้นะ้นําไปปฏิบัติเลยรับรองได้บอกว่าถ้าพูดจริงๆเขาเรียกว่าไม่ผิดนะเนี่ถ้า จ, จะพูดตามหลักษณก็บอกมันอาจจะผิดกับตำํำราอาจจะขัดข้องกับตัวหนังสือแต่ความจริงแล้วอาจจะมาเข้าใจว่า ไม่ผพราะทุกคนเห็นแล้วพ็ต ว, วัดรับลองได้บอกว่าไม่ผิดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระบริเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าสายศรราิทธัตถุมาคือเป็นหลักสำนจิตใจอุเบกขาต่างหา ก, กจิตใจอุเบกขาเนี่คือต้นตอของชีวิตจิตใจนั้นมันมีแล้วจะไปสร้างมันขึ้นถ้าไปสร้างมันขึ้นแปลว่าเราไปสร้างของไม่มีให้มันมีขึ้นมาเราจะไปปลุกบ้านอยู่ในเมืองสวรรค์ไปปลุกอยู่ในอากาศมันปลุกไม่ได้ ลมชัดบรรห์ลงมาเราจะไปสร้างสิ่งที่ไม่มีขึ้นมาเราต้องสร้างของที่มันมีแล้วนี่เ็นราไปหาคมโคลนลบคนลงหาจนตายเรากกไม่เห็นถ้าเรามาดูต้นตอนของชีวิตเนี่ยแปลว่าเราเห็นแต่คมโคลนลบคมล ง, ล ง, ล ง, ลงมันไม่มีเรามา ด, ดูที่ตรงนี้มันก็นเลยจบสิ้นกันไปทั้งหมดเลยน <blanc. S 1> ี <habla> ่แหละคําสอนของพุทธศาสนาสอนกันมาแค่นี้เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากแต่วิธีทํานั้น มันหลายแต่ที่อาตมานำมาพูดนี่คือเฉพาะอาตมามาใช้ตัวชีวิตของอาตมาได้นับบ่วมไม่มีทุกเพราะอาตมามาทําคนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดพวรู้มันพิบตากควรู้มันหายใจพอรู้มันนึกมันคิดอะไรรู้มันก็เลยพอเหมาะกันข้าวมันก็เลยจัด ก, การได้กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับนักมวย ไม่ต้องไปขึ้นไหวครูก็ได้ขึ้นไปในเวทีซกทันทีเลยอ่ะมันเป็นอยังไงเอาแหละที่นําเราให้ฝังวันนี้บอกเห็นว่าสมบูรณ์เกวาแวานเดียวที่ก็ต้องตเวลาสิบเอ็ดโมงตรงอาทิตสุดนี้อาตามาพร้อมด้วยท่านหลายมานั่งฟังธรรมะยุนัสถานที่นี้อาตามาขออ้างที่เอาคุณขอ ง, ของพระเจ้าและพระธรรมคาสอนขององค์สมงเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของาราอาาพระอหันตาสาวกพระมาสมุเมเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายเรียกล้ออภวมตื่นตัวควางรู้สึกตัวอยู่เสมอมาต่าควางไม่รู้ให้มันหายไปให้เราปราบได้ในชีวิตนี้จงทุกคอนเถอ